เรื่องอุโบสถยังพูดกันต่ออีกสักหน่อยที่วันนั้นท่านสุรเดชหรือใครถามที่ว่าสมัยปัจจุบันนี้หยุดงานเสาร์อาทิตย์ไม่ตรงกับ ว, วันอุโบสถวันพระใช่ไหมฮะ<อ>ก็ถามว่าข้ารือหมายถึงค้ารือหัสิหมายถึงขา้ารือหั ด, หดปเป็นอุโบสถของค้ารือหัดแล้วก็จะทํำยังไงอันนี้ครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดต่ออีกคือที่จริงนั้นอุโบสถเนี่ยเป็นเรื่องเขากิจกรรมแล้วก็ต่อมาก็มาเรียกชื่อวันด้วยเป็นวันอุโบสถเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทำกิจกรรมอุโบสถนี้แต่เดิมทีเดียวอุโบสถซึ่งเป็นกิจกรรมนั้น เรื่องวันเวลาเนี่ยก็ไม่ได้เด็ดขาดลงไปตั้งแต่โบราณนะนี่ต่อมาเมื่อถือลงตัวเข้าก็เลยกำหนดว่ากิจกรรมนี้ในทำในวันนั้นวันนั้นก็เลยเรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถอันตรกาท่านเล่าไว้ถึงว่าในยุคก่อดพุทธกาลโน้นอย่างเรื่องในชาดกเนี่ยก็จะมีว่า คนเข้าจําอยู่อุโบสถจาอบสถก็คือว่าถืออบสดเลนะเดี๋ยวนี้ไม่เยใช้คำว่าจาอุโบอสดลใช้คำว่าถืออุโบสถแล้วเขาถือเดือนละสามวันแล้วท่านก็อธิบายว่าสามวันนี้ได้กับวันหนึ่งคำแปดคำละสิบเอ็ดคำเห็นไหมไม่ตรงกันกับที่ถือในพุทธศาสนาในปัจจุบัน แล้กทาก็อธิบายด้วยบอกว่าและอุโบสถในสมัยนั้นก็หมายถึงการไม่กินข้าว<ม>ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่านอกพุทธศาสนาก็มีมาเรื่องประเพณีการอดอาหารอุโบสถหมายถึงการไม่กินอาหารมไม่ได้หมายถึงการรักษาข้อปฏิบัติแปดข้อและท่านยังกำกับไว้ด้วยบอกว่าอุโบสถที่หมายถึงการ ถือข้อปฏิบัติแปดข้อคือศีลแปดเนี่ยมีเฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นหมายความว่ามีเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นมาแล้วคือในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดแล้วก็มาบัญญัติก็หมายความพัฒนาความคิดในเรื่องของอุโบสถขึ้นมาจากการที่ถือศีลอด คล้ายๆว่าถือสิทธอดนี่จะเป็นประเพณีมาแต่โบราณจ ะ, ะเกิดยังไงอันนี้เราคงยังไม่ต้องไปสืบค้นแต่ว่าในพุทธศาสนาเห็นว่าความหมายมันไม่ไม่เพียงพอก็มาใช้อย่างที่อธิบายไปแล้วในพุทธศาสนานี่จะเป็นการฝึกคนฝึกให้เรานี่เป็นอิสระจากวัตถุเสพมากยิ่งขึ้นไม่ให้เอาชีวิตไปมัวหวังพึ่งความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียว แล้วก็จะได้ใช้เวลาแรงงานมาในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้นความสิ้นเปลืองน้อยลงแล้วก็มาพัฒนาตัวในด้านจิตใจด้านปัญญามากขึ้นหรือไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้มาในสมัยพุทธกาลเมื่อพุทธเจ้าบัตรแล้วที่ว่าบัญญัติให้ถือสิขาบท8ข้อ โดยใช้คําว่าอัฏฐานฆะหรืออัฏฐานฆสมานาะตะเวลารักษาศีลอุโบสถเนี่ยจะมีคํากล่าวคําสมาทายก็จะมีอัฏฐานฆสมานาฆะตังอุโโสถังอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ปดองค์8ก็คือที่ว่าเนี่ยที่เราเรียกกันศีแปเรียกเป็นภาษาชาวบ้านในพุทธการเองนี่ก็ตามหลักฐาน ก็มี3มวันคือวัน 14, 15ี่ห้าคำและวัน8ค่ำในสมัยพุทธกาลคงจะถือทั้ง14บ่ค่ทั้ง15คห้าำแล้วก็ทั้ง8ค่ำไม่ใช่หมายความมาถือ 14, คสี่ําำเฉพาะเดือนขาดคือหมายความว่าถือตรงไปตรงมาตามเลขที่วันเลยว่าอย่างวันขึ้นมีทั้ง 14, 15ค่้าำก็ถือทั้ง 14, 15ี่้าำ ก็ น, นั้นก็มีแปดค่ำสิบสี่สิบห้าคำปักหนึ่งก็มีสามวันทีนี้เท่าข้างแรมถ้าข้างแรมเต็มมันก็เท่ากันอีกสามมันก็เป็นเดือนละหกอันนี้ถ้าข้างแรมเดือนไหนเดือนขาดก็ข้างแรมก็เหลือสองวันเพราะนั้นก็จะมีหลักฐานมาในคำพียอย่างบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารรักษาอุโบสถเดือนละหวันใช่ อุโบสถเดือนละหวันก็นี่แหละแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค ำ, 14, คำเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็เหลือห้าวันอ้าวทีนี้ต่อมาอีกต่อมาในรุ่นอัตถกถานี่อุโบสถเกิดมีการเรียกเป็นตั้งสามชนิดน่ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่แล้วล่ะสืบมาแต่ว่ายังไม่ได้จัดแยกให้ชัดเจนเพราะในคำ กล่าวถึงอุโบสถอย่างที่เอามากล่าวกันในวันอุโบสถบางวัดเนี่ยก็จะมีกล่าวถึงว่าอุโบสถวันสิบสี่ํา8ห้าค่ำแและปาติหาเรยาปักขะซึ่งเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเคยได้ยินไหมฮะเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปาติหาริยปักหรือปาติหาริกะปักขะ หรือบางทีก็ตัดปักขาออกหรือปาติหารียอุโบสถแล้วยังมีอุโบสถชนิดหนึ่งเรียกว่าปฏติชาคราอุโบสถเลยเป็นสามชนิดเลยนะมีหนึ่งอุโบสถที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าวัน1ิบ5ี่สบห้าคและแปดค่านีอย่างนี้ไม่ต้องมีคำนำถ้าเวลาไปอยู่กับชุดอื่นก็เรียกชื่อเติมเข้ามาว่าปกติอุโบสถนะพอมีปฏิชาครอุโบสถ กับปาฏิหาริยอุโบสถก็เลยเรียกอุโบสถที่ถือตามปกตินี้เป็นปกติอุโบสถก็ไปอ่านว่าตอนนี้มี3ชนิด1ปกติอุโบสถสองปาฏิชขาอุโบสถ 3. ปาฏิหาริยอุโบสถเนะีเอาเละสิทธีนี้ชักเยอะแล้วปกติอุโบสถมีปกละสามวันมาสมัยตกะกถาเพิ่มอีกวันอีก บอกว่าห้าคาแปลว่าวันปัญจะมีคือวันห้าคากลายเป็นว่าเดือนหนึ่งมี8วันอุโบสถนวันอุโบสถปกติในยุคที่อธิกถาเรียกนะมี8ดวันข้างขึ้น4วันข้างแรมสี่วันนี้ถ้าหากว่าเดือนขาดก็แสดงว่าเดือนนั้นก็เหลือเจวันเอาไปว่าถ้าเต็มก็ ปกติอุโบสถหรืออุโบสถปกติเนี่ยมีตั้งเดือนละแปดวันนะก็มีห้าคำแปดคำสิบสี่คำสิบห้าคำมายุคหลังนี่เราก็ไม่มีแล้วนี่มันจะมีอโบสถ์โบสถ์ห้าคำนี่ยุคอาตตะถามีถึงสี่วันนะ<ม>นี่ขนาดปกติอุโบสถ ก็ไปอันวัดตั้งคอสังเกตไว้ตอนนี้ว่ายุคพุทธกาลนี้ก็มีแค่8ปดข้ามสิบสี่สบห้าาอ้าวทีนี้มาปฏิชาคราอุโบสถคืออย่างไรก็เพิ่มเข้าจากปกติอุโบสถปฏิชาคราอุโบสถก็แปลว่าอุโบสถของผู้ตื่นตื่นตัวอยู่มีความข้นขวายไม่เฉื่อยชาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากอื mm hmm. ก็เป็นการถือโดยมีวันรับวันส่งวันรับวันส่งก็หมายความว่าถ้าถืออุโบสถวันห้าคาอย่างอยู่กันตกถาวันรับก็สี่ค่ำวันส่งก็หกค่ำแน่เพิ่มขึ้นมาอีกวันรับวันส่งก็เพิ่มอีกสองวันใช่ไีนี้วันแปดค่าล่ะวันรับก็คือเจ็ดค่ำวันส่งก็เก้าค่ำแสดงว่า อันุโบสถแทนที่จะถือเช่นว่ากรณีที่ถือวันใดวันหนึ่งนะก็เพิ่มขมาหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเป็นสามเลยใช่ไหมอันี้เขาสิบสี่ค่ำก็วันก่อนวันรับก็คือวันสิบสามค่ำใช่ทีนี้สิบสี่ิบห้าติดกันสองวันก็ต้องไปวันหนึ่งค่ำ ตกลงเยอะกันใหญ่นะนี่ปฏิชาคราอุโบสถก็คื อ, อโบสถของผู้ตื่นตัวขนขวายมากก็เลยมีทั้งวันรับวันส่งอีกเพิ่มจากปกติอุโบสถเข้าไปตั้งกี่วันแล้วพอมีปฏิชาคราอุโบสถเข้าไปปรากฏว่ามีในข้างขึ้นห้าข้างแรมหกนะ ก็เยอะปรากฏว่าเป็นวันที่ไม่รักอุสาโอบสดอยู่ในเดือนขาดมีสิบปวันเดือนเต็มไม่รักษาโอบสดอยู่แค่สิบาวันนีแสดงว่ารักษาโอบสดเยอะเลยเอานะเอาจำง่ายๆว่าปฏิชาครุโอบสดโบสดของผู้ตื่นตัวขนขวายมากเนี่ยนคือรักษาเพิ่มในวันรับและวันส่งของวันโบสถปกติ ก็พูดอีกอย่างนะว่าอุโบสถแบบมีวันรับวันส่งซึ่งจะทำให้มีการรักษาอุโบสถหรือยู่จาอุโบสถเนยมากจงกระทั่งว่าในเดือนเต็มมีวันที่ไม่ได้รักษาอุโบสถอยู่สิบเอ็ดวันแล้วก็ในเดือนขาดมีวันไม่ได้รักษาอุโบสถอยู่เพียงสิบวัน ตกลงว่าเป็นวันรักษาโบสถสําำหรับเดือนเต็มมี1 9วันเดือนขาดรักษา18วันเมื่อกี rin rin h h in in cookies, ้นี้ผมดูจะพูดกลับกันนะต้องย้มอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันรักษานะมากวันรักษาีนเดือนเต็มรักษา19วันเดือนขาดรักษา18วันถ้านับวันที่ไม่ได้รักษาโบสถก็เดือนขาดไม่ได้รักษาสิบวันเดือนเต็มไม่ได้รักษา11บวัน เอานะนี่คือปฏิชาคราอุโบสถเห็นจะหายากนะเดี๋ยวนี้พอ ร, รักษาอุโบสถปกติก็ยังหายากแหละนี่ปฏิชาคราอุโบสถนี่ขนขวายเอาจริงจังมากนี่ต่อไปก็มีปาฏิหาริยอ์อุโบสถอีกปาฏิหาริย์อุโบสถอุโบสถที่รักษาประจําปีนะรักษาประจําปีเป็นช่วงยาวเลย นี่รักษากันตลอดท่านบอกว่าสี่เดือนตลอดฤดูฝนเลยเนี่ยก็หมายความพอเริ่มฤดูฝนเดือนแปดก็เอาเลยใช่ไหมตลอดไปจนกระทั้งหมดฤดูฝนยังกจำํำภาษานี่ยเลยมาก็แสดงว่าพระจำํำภาษานี่โยมก็รักษาอุโบสถนี่ก็ปฏิบาติหารยาอุโบสถก็ทําให้คฤหัสนี้เหมือนก็มีการจําภาษาใช่ไหม รักษาสี่เดือนตลอดฤดูฝนพระมีจำพรรษาโยมก็มีปาฏิหาริยอุโบสถรักษาตลอด4เดือนเลยทียนี้สำหรับปาฏิหาริยอุโบสถนี่ก็มีคำอธิบายข้อจะกถาต่างๆกันไปจกนกระทั่งชักฟันเฟือคือบางทีก็บอกว่ารักษาตลอดไตรมาสในฤดูฝนเนี่ยเอาแบบพระจาพรรษาแล้วก็ถ้ารักษาไม่ได้ ขนาด น, นั้นก็เอาแค่เดือนเดียวถ้าไม่ได้เดือนหนึ่งก็เอาแค่คร <st arts> <for> ึ่งเดือนแล้วก็จะบอกช่วงระยะเวลาด้วยในที่นี้ผมจะไม่เอามาเพราะจะทำให้ฟันเฟือมว่าก็รวมความว่าปาฏิหาริย์อุโบสถเนรักษากันประจาปีเลยนะเป็นช่วงยาวนะถ้าตามมาตรฐานก็สี่เดือนฤดูฝนถ้าสั้นมาก็สามเดือนอาจจะเดือนเดียวอาจจะครึ่งเดือนก็ได้แต่ก็หมายความเป็นช่วงต่อเนื่องกันไปเลย แล้วเป็นประจำทุกปีเป็นนิพพัทธอุโบสถนิพพัทธาอุโบสถและอุโบสถประจาปีในที่นี้หมายถึงประจำปีตัวศัตว์แปลว่าประจำจะเฉยเฉยก็หมดแล้วนะฮะเป็นอันว่าอุโบสถมีสามแบบสำหรับคารืหัดโดยเฉพาะเลยอันนี้จากที่พูดมาก็จะได้เห็นชัดขึ้นว่าอุโบสถได้เป็นตัวกิจกรรม แล้วเพราะเหตุที่มารักษาประจำในวันนั้นวันนั้นต่อมาก็เรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันแยกกันได้วันที่ก็อย่างหนึ่งตัวอุโบสถที่เป็นกิจกรรมก็อย่างหนึ่งนั้นกิจกรรมนี้อาจจะเปลี่ยนไปทําเมื่ออื่นก็ได้ใช่ไหมในวันอื่นก็ได้แม้แต่อุโบสถของพระสงฆ์น่ะ ก็ยังมีอุโบสถที่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำนะของพระเราเรียกว่าทำอุโบสถอุโบสถของพระนี่ก็ไม่ใช่จเป็นจะต้องมาทำในวันส4บสี่สิบห้าคำเสมอไปถ้าสงแตกกันนี่สามัคคีกันได้เมื่อไรให้ทำได้เหมือ น, นั้นเลยนี่ท่านเรียกว่าสามาคัคคีโบสถ ก็แปลว่ามีอุโบสถแม้แต่ของพระสงฆ์ที่ไม่ได้ทําในวัน14 15ี่ส้าคัมคือทําในวันไหนก็ได้ถ้าสงฆ์ที่แตกกันสามัคคีกันเมื่อใดก็กระทำเมื่อนั้นเรียกว่าสามัคคีโบสถอุ่โบนสถ์ตามปกติก็คือ14 15ค่สิบหาคัมแล้ว่สิบห้าคัมในขึ้น15คห้าและแรมสิบห้าคัมเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็14แกบแรมสิบสี่คัม ในเมื่อกิจกรรมต่างจากวันเพราะฉะนั้นก็ย่อมเป็นเป็นได้ที่ว่าเราจะสามารถกําหนดวันอุโบสถขึ้นมาแม้ว่าในพุทธศาสนาจะลงตัวพอสมควรก็ยังเห็นได้ว่ามีการาไม่ต้องพูดถึงว่าหนึ่งนอกพุทธกาลนี่วันอุโบสถก็เป็นวันหนึ่งข้าม8ดข้ามสิอ็ดข้ามใช่ไหมที่ว่ามาแล้วไม่ต้องพูดถึงอันนั้นก็ได้แม้แต่ในพุทธศาสนาเองก็ ยังมีอุโบสถที่รุ่นอนตถาเติมเข้ามาวันห้าคาใช่ไหมเออแล้วก็ยังมีอุโบสถของคฤรุหัดที่มีหลายแบ บ, เ ป, ปบเป็นปฏิชาคราอุโบสถเป็นปาฏิหาริยะอุโบสถและยังอุโบสถของพระสงฆ์สามมกขีโบสถ์ก็ทําเมื่อวันไหนก็ได้ที่สามมกขีในสมัยอนกถาก็มีเพิ่มวันอุโบสถวันห้าคาแล้วก็มี ปฏิชาคราอุบโบสถปาฏิหาริย์อุบโบสถนีของพระก็มีสามัคคีอุโบสถซึ่งทำเมื่ไรก็ได้เพราะนั้นถ้าเราถื อ, อกิจกรรมเป็นหลักเรามานึกถึงยุคสมัยนี้นั้นเราก็อาจจะกําหนดวันอุบโบสถขึ้นมาให้เหมาะกับยุคสมัยนี้เช่นว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์เลือกสักวันหนึ่งหรืออาจจะเอาอย่างที่ว่า ใครจะรักษาให้จริงจังมากมีความขนนขวายมากก็รักษาทั้งสาวาัติษถถ้าใครไม่มีความเพียรมากก็เอาวันเดียวเนี่ยเจ็ดวันครั้งหนึ่งจะเอาวันอาทิตย์หรือวันเสาร์มาตกลงกันสักดีเหมือนกันให้เป็นหมู่สังคมชาวพุทธใช่ไหมเราก็เรียกอุโบสถชนิดว่าอุโบสถอะไรล่ะอ อ, อาจจะตั้งชื่อกันมาสักชื่อหนึ่งใช่ไหม อุโบสถแบบสุริยคติถ้าพูดอย่างง่ายๆหรืออุโบสถสุริยญ า, าตินะคําผลก็มีคําว่าสุริญาตสุริญาตก็คือสุริยญ า, าตรนะิการญาตราของพระอาทิตย์ก็ลองคิดกันดนะูหรือจะตั้งชื่อตามยุคสมัยยุคนี้เป็นยุคอะไร ่ อ, อุโบสถยุคอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยนะหรืออุโบสถยุคโลกาภิวัตน์นหรือตั้งมาให้มันยาวนักเอาคำสั้นๆ น, นก็แล้วแต่นคือชาวพุทธน่าจะคิดกันนก็มาจัดวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยให้เป็นวันอุโบสถไปซะนะก็ชื่อนั้นก็มาคิดกันให้เหมาะให้ดีที่สุด แล้วก็เราก็จัดกิจกรรมนะวันอุโบสถก็อย่างที่วที่ว่ามาแล้วเนี่ยเจตจำนงหรือเจตนารมอยู่ที่ไหนเจตนารมก็เพื่อจะได้เป็นวันที่เราเนี่ยได้ให้เวลาที่เน้นมาทางด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญาโดยที่ว่าให้ชีวิตของเรานี้เป็นอิสระจากวัตถุเสพ หรือสิ่งบริโภคสิ่งบำรุงบำรเลอปลนปลอทางด้านเนื้อหนังเอามาทางด้านจิตใจให้มากมันน่าจะดีนะแล้วเราจะสามารถทํากิจกรรมอื่นได้เยอะแยะเพราะคนยุคนี้นั้นวันหยุดแทนที่ว่าจะทําให้เป็นวันที่ได้มาพัฒนาจิตใจปัญญาเพราะโม่แต่วุ่นวายไปในการงาน ห้าวันแล้วห้าวันนี้มีแต่เรื่องยุ่งใจตลอดใช่ไหมคุณมัวเศร้ามองโลภโทสะโมหะมหาก ม, มุ่งจะหาเงินเอาอย่างไรเนะี่ยแล้วเวลาเย็นไม่พอจะไปหาสิ่งบำรุงเลอเสพบสุกกันมัวเมารุ่มหลงเนะี่ยรื่องว่าจิตใจก็วาวุ่นเดือดร้อนกระวนกระวายมาตลอดภาวันที่หที่เจ็ด แทนที่จะได้หยุดจากสิ่งเหล่านั้นกลับซ้ำหนักเข้าไปอีกนะไปหาความรุ่มหลงมงัวเมาเป็นวันหยุดงานงานนั้นมีความหมายแบบว่าแบบฝรั่งงานของฝรั่งก็คือางานเป็นภาระเนะเป็นสิ่งที่หนัก อ, อกหนักใจเนะี่เป็นสิ่งที่จำใจจำสูนทนทำเนะคู่ฝรั่งจึงต้องมีเลชเชอร์ฝรั่งมีเวิร์กเกอรเลชเชอร์ Work งานนี่หมายถึงสิ่งที่ต้องทําด้วยความรู้สึกจําใจจําทนแต่ต้องขยันต้องมีความเพียรต้องสู้มันทีนี้ก็ต้องหาวันพักผ่อนนะก็เลยมีเลชเชอร์ก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่สําหรับเลชเชอร์นะสำหรับที่จะได้ปลอดโปร่งเบาจากเรื่องที่หนักนั้นแล้วก็อาจจะไปหาเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของการบันเทิง เลยเถิดไปก็มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินกลเปล็นวันพักผ่อนนะวักพักผ่อนเลเซอร์แต่มันเลยเถิดไปมันไปสนุกสนานมัวเมากันใหญ่แต่ถ้ามองในแงน่นี้วันทํางานก็กลายเป็นวันทําความดีวันหยุดก็เลยวันหยุดทําความดี <c oughs> เป็นวันที่ไปหยุดทําความดีไปทำแต่สิ่งเลวร้ายไปเลยถ้าอย่างนี้ก็แย่จนะแทนที่ว่าเออเราไป มัววุ่นกับเรื่องทางด้านกายเรื่องวัตถุและกิจกรรมพฤติกรรมภายนอกมาหลายวันแล้วนะหยุดทางด้านพฤติกรรมมาพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาให้มากขึ้นก็ไม่ได้เอาดังนั้นวันอุโบสถนี้ก็จะมีความหมายขึ้นนะไม่ใช่เป็นวันหยุดทํางานแล้วในแง่ว่า ง, งานนั้นเป็นการทำความหยุดทําความดีแต่หมายถึงว่าหยุดทําภาระหน้าที่ด้านหนึ่ง มาทำอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นใช่ว่าแทนที่จะไปตอนนั้นเจวหวันนะั้ไปทํางานด้านเพื่อชีวิตของตนหรือหน้าที่การงานประจำํำพอวันที่6ที่7นี่ก็หันมาทํางานที่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมบําเพ็ญประโยชน์หรือถ้าเป็นตัวเองก็พัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างที่ว่านะฉะนั้นอาจจะมีเป้าหมายมากขึ้น เป็นประโยชน์แล้วก็มานึกกันในแง่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีอาจจะถือว่าวันอุโบสถก็คือวันที่เราเป็นอิสระจากสิ่งเสพก็ได้เนเป็นวันที่ทำชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นไม่ใช่เป็นวันที่ไปลุ่มหลงบัวเมายิ่งขึ้นก็ได้ทั้งในแง่ของหนึ่งการที่ว่าวันอุโบสถ เป็นวันที่ชีวิตเป็นอิสระจากสิ่งเสพจากความรุ่งหลงมวมเมาเนี่ยเป็นเข้าหาสิ่งที่เป็นสาระและก็สองก็คือว่ามาใช้ชีวิตที่มาเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจและปัญญาเนี่ยและการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นและจะแก้ปัญหาของสังคมยุคนี้ได้ด้วยเพราะยุคนี้นี่มันยุคที่เป็นสังคมบริโภค โมเมาเสพกันเรื่อยแล้วพอถึงสาวาัติทิงหนักเข้าไปอีกนะการล้างลานพวกทรัพยากรธรรมชาติก็มันหนักมากในวันสาวาทิทิ์ด้วยนี่เราไปดูในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องอุโบสถไว้ให้มาดูในแง่ว่าท่านมูงให้ใช้วันอุโบสถนี้ทากิจกรรมอะไรนะเอาละครับก็ขอย้อนกลับไปเรื่องที่ว่า เดิมนั้นอุโบสถเขาหมายถึงการอดอาหารแล้วมาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติให้คฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาเนี่ยมารักษาข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าศีล8หรือว่าอุโบสถมีองค์8ซึ่งเป็นเรื่องของการเติมจากศีลห้าหรือสิกขาบท5ที่เป็นเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้เบียดเบียนกัน แล้วมาเพิ่มในส่วนของการที่มาฝึกตัวเองให้งดเว้นจากาให้เป็นอิสระจากสิ่งเสพนะฮะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เคยจัดกันนางวิสาขาไว้ว่าอุโบสถอย่างเนี้ยที่ว่ามีองค์8ดเนี้ยมีสามประเภทเด้ยวยกันสารประเภทยังไงพระพุทธเจ้าจัดว่าสารประเภทคือหนึ่งโคปาและกอัอุโบสถอุโบสถแบบในโคบานสอง นิคันธาอุโบสถอุโบสถแบบนิครณแล้ก็สามอริยอุโบสถอุโบสถแบบพระอริยนะหรืออุโบสถของอริยชนก็ได้ไปเรียกพระอริยาอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไปหน่อยอุโบสถของอริยชนอันนี้โคปะโคป า, าละกับอุโบสถอุโบสถแบบในโคบาลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าในโคบาล เป็นคนเลี้ยงโคให้คนอื่นก็เช้าก็รับเอาวัวไปแล้วเย็นก็เอามาส่งเจ้าของพอส่งเสร็จแล้วก็มานึกว่าเออวันนี้เราพาวัวไปเที่ยวหากินที่ไหนบ้างไปกินหญ้าที่ไหนไปกินน้ําที่ไหนวางแผนใหม่พรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้เราจะพาวัวของเราทั้งฝูงเนี่ย ไปหากินที่ไหนไปกินหญ้าที่ไหนไปกินน้ําที่ไหนก็วางแผนอย่างนี้ก็เหมือนกับคนรักษาโบสถ์รักษาโบสถ์สดทา ง, งที่รักษาข้อปฏิบัติแปดข้อนั่นแหละแต่ว่าคงจะนึกว่าวันนี้อดพรุ่งนี้จะเอาให้คุ้มนะพรุ่งนี้จะกินที่ไหนดีนะเนีแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรดีพรุ่งนี้จะกินอะไรวางแผนบอกว่าใจอยู่ด้วยความโลภนะคิดถึงความอยากใจไม่ได้ ทำให้บริสุทธิ์นะก็เลยว่าคิดแต่เพียงว่าพวกนี้จะกินอะไรกินอะไรที่ไหนนะอันนี้เรียกว่าการรักษาอุโบสถแบบในโคบาล น, นะทีนี้สองการรักษาอุโบสถแบบนิครนหรือนิคันเทาโบสถเป็นยังไงกระตัดบอกว่านิครนเขาจะมีหลักการว่าเขาจะสอนสาวกสอนลูกศิษย์ของเขาบอกว่าเออท่านทั้งหลายนะ จะเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์อะไรแต่ะไรก็ให้มันพ้นร้อยโยศนี้ไปทางทิศตวันออกพ้นร้อยโยศไปทิศตวันตกกับพ้นร้อยโยศทิศเหนือกับพ้นรอยโยศทิศใต้กับพ้นรอยโยศไปแล้วจึงจะทำร้ายมันได้แต่ในรัศมีนี้ก็ไม่ก็หมายความว่าแบ่งมีเมตตาต่อสัตว์เฉพาะในเขตหนึ่งเขตหนึ่งนะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนิครนเขาก็จะสอนลูกศิษย์เขา เขาบอกว่าท่านทั้งหลายผ้าผ่อนนี่ไม่ต้องนุ่มแก้ผ้าให้หมดอันนี้ก็เป็นหลักเขานิครนเขานิคนเขาจะไม่นุ่งผ้าใช่ไหมยิ่งในสมัยพุทธกาลด้วยตอนหลังมาแตกเป็นสองนิกายเป็นนิกายแก้ผ้ากันนิกายนุ่งผ้าขาวทีนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นคงยังไม่ได้แยกนิกายเพราะานิคนอยู่ตัว ศา ส, สดานิครณนา ต, ตบุตรอยู่นี่เขาก็จะแก้ผ้าเลยเขาก็จะสอนสวนาวกแบอบกว่าท่านทั้งหลายผ้าผ่อนก็ไม่ต้องนุ่งนะแล้วก็ไม่ต้องยึดมัน่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นนะพูดว่าอะไรแต่อะไรก็ไม่ใช่ของเรานะเรามายึดมั่นในสิ่งไหนต่อใครอะไรทั้งสิ้นนะนี่ก็คือหลักนิครนิครณก็ถือว่าไม่ยึดมัน่นที่เขาแก้ผ้าครับพ่อเขาไม่ยึดมั่นอะไรทั้งสิ้นนะ ตัวนี้คนเองก็แปลว่าไม่มีกิเลสเครื่องผูกรัดนี่ขันธ์นี้แปลว่าไม่มีขันธ์ว่ า, ากิเลสเครื่องผูกรัดก็หมายความว่าทางรัตนินครนี่เขาถือความม่ยุดมั่นถือมั่นถือแรงมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นุ่งผ้าเขาถือว่าพุทธนี่ ย, ยังยึดถืออยู่ยังนุ่งผ้าอยู่ท่านถ้าไม่ยึดมั่นจะมานุ่งผ้าอะไรเร่าว่ววางั้นเพื่อนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับพุทธศาสนานิครนนครเนี่ย นี่นิคคนนี้จะมีหลักใหญ่ที่เป็นข้อสังเกตที่ตแตกจากพุทธศาสนาขึ้นหนึ่งแล้วถือลัทธิกรรมเก่าชื่อว่าคนจะได้ดีมีสุขมีทุกอย่างไงเป็นเพราะกรรมที่ธรรมชาติปางก่อนที่พระเจ้าไปเถียงเป็นสูตรหนึ่งเลยชื่อว่าเทวตหสูตรแล้วก็ตรัดไว้ในเรื่องของลัทธิสมลัทธิที่ไม่ใช่พุทธศาสนานะละัทธิถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าในชาติก่อนนะทําที่ทำไวแต่ปางก่อน ไอ้กรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนปุกเพกะตะเหตุว่าแล้วก็สองลัทธิที่ถือว่าอะไรต่อะไรจะเป็นไงได้สุขได้ทุกข์ก็เป็นเพราะเพราะผู้เป็นเจ้าบัณดาลแล้วก็สมลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่โชคถึงเวลามันก็เป็นเองนะเรียกว่าลัทธิเหตุตัวปัจจัยสามลัทธิเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้คน ชาพุทธเนี่ยถ้าไม่รู้จักนิครนเนี่ยจะเอามาปนกับพุทธศาสนาทั้งสองเรื่องเนะี่ยหนึ่งลทัทธิกรรมเก่าสองลัทธิมายึดมั่นถือมั่นใช่ไหมดีไม่ดีก็มายึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมัน่นแรงเขาก็เป็นเหมือนิครณก็ไม่ต้องนุงผ้า น, ะนี่นิครณแกแก็แนะนําลูกศิษย์แกบอกว่าอา้วาววันอุโบสถก็อย่างที่ว่านนะก็ไปอนว่าไม่ต้องนุงผ้าผนแล้วแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ามายึดมั่นสิ่งใดต่อใคร อะไรทั้งสิน้นนีการที่นิครนก็นพูดมันยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าเขามีพ่อมีแม่แล้วคนนี้เป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็รู้ว่าเขาเป็นลูกเนยเขาก็มีลูกเมียเมียก็รู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นสามีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะและ้วค่ารับใช้กรรมกรเขาก็มีเขาก็รู้ว่าคนนั้นมีฐานะเป็นอะไรแล้วคนรับใช้ก็รู้ฐานะเขาเป็นอะไร นี่การที่เขารักษาข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยความจริงของเขาก็คือเป็นความเท็จเวลาเขาพูดจริงก็เป็นมุสาวาทไปในตัวและเสร็จแล้วพอเขาบริโภคอะไรก็เป็นอทินาานาธาไปหมดไม่มีใครให้อันนี้ก็หมายความว่าแยกสมมติปรมาิไม่เป็นคือพุทธศาสนานี่ว่าไปตามความจริง สัจธรรมความจริงก็ธรรมชาติเป็นอย่างนี้มนุษย์ไปสมมติเกิดขึ้นมาเท่านั้นนี่เป็นลูกเราเป็นเมียเราเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมแต่การที่สมมตินี้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้มนุษย์อยู่กันได้เป็นสังคมก็เป็นสัจจาระดับหนึ่งท่าเรียกว่าสมมติสัจจ์เมื่อเราบัญญัติสมมติขึ้นมาโดยมีเหตุผลก็ถือตามที่ตกลงกันนั้นมันเป็นไปดิสติปัญญาแต่จะไปถือโดย ลุ่มหลงโดยยึดมั่นการถือได้ยึดมั่นการถือได้ปัญญามันคนละอย่างนี่นี่คลนแกแยกไม่ออกกับปนกันไปหมดนะแกก็เลยไม่ต้องหนุงผ้าศาสนาก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงตามที่มนุษย์บัญญัติแต่ว่าที่มนุษย์ตกลงกันนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมีเหตุมีผลมีเจตนามีเป้าหมายในการทําอย่างนี้เมื่อเราวางตกลงกันอย่างไรใช่นเป็นวินัยแล้วก็ถือตามข้อตกลงนั้น ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทําด้วยควา ม, มงมงายอันนี้ถ้าไปถือแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าไปถืออุโบสถแบบนี้เรียกว่านิคันธาอุโบสถอุโบสถแบบนิชนนะฮะทีนี้ต่อไปอริยะอุโบสถอุโบสถแบบอาริยชนเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็คือว่าใช่วันอุโบสถนั่น ในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเอาความเพียรมาฝึกตนเองนะคือหมายความว่าเป็นเวลาสําหรับใช้ความเพียรในการที่มาชําระจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้นพระพุทธเจ้าก็ตัดมาให้เห็นว่าอ้าวยังใช้ความเพียรยังไงเราอาจจะระลึกถึงพุทธานุสติอย่างชาวบ้านนี่ยังเรียนรู้ไม่มาก ไม่เหมือนพระภิกษุก็เจริญพุทธานุสติแล้ลึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างนี้น่ะก็เราก็จะได้มีศรัทธาเรื่มสายจิตใจผ่องใสอย่างน้อยแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ลึกถึงพระคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมาด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาคุณแล้นะได้เห็นพระจริยาวัดของพระองค์ทํามาอย่างนั้นนก็จิตใจก็ผ่องใสก็จิตใจก็บริสุทธิ์ชําระจิตใจหรือว่า ต่อไปก็คือจะพยายามโน้มนำพระคุณเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจตัวเองในการที่เราจะทําให้ได้อย่างนั้นบ้างนะก็ก็จะนําไปสู่การที่จะทําคุณประโยชน์บําเพ็ญความดีอะไรต่างๆนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนีอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพรั ม, มอุโบสถหมายความอาริยบุพโภศนี่แยกย่อยไปหลายอันพลัมมอุโบสถก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี่สูงสุด เป็นผู้ประเสริฐนะมีพระคุณเป็นพรหมพรหมในความหมายของพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนพรหมในศาสนาพราหมณ์นะแปลว่าประเสริฐแล้วก็หรือว่าจะเราลึกถึงคุณของพระธรรมก็ได้จเจริญธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมก็โอ้โหกว้างขวางแผ่ไปสารลระลึกถึงในแง่ความจริงก็ระลึกไปไดนะ้ความจริงเป็นยังไงความจริงของธรรมชาติเป็นยังไงนะในระลึกถึงในแง่ความดีงามก็ได้นะ แลลึกถึงตามธรรมานุสติพระคุณของธรรมะหประการก็ระลึกไปนะแล้วก็พิจารณาไปก็จะเกิดความเลื่อมใสในธรรมะศรัท ธ, ธาในธรรมเห็นคุณค่าเมตรามจิตใจก็ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หรือว่าทําให้ตัวเองน้อมนําเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของตัวเองประพฤติปฏิบัติตามอ้าวต่อไปหรือจเจริญถ้าถ้าทำงี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมอุโบสถ อันนี้หรือระลึกถึงสังฆคุณระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระประสงค์มีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้น ะ, จะเจริญธรรมะขึ้นไปจนกระทั่งกําจัดกิเลสเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอระหันตามีคุณความดีบําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นอย่างนั้นอ่างนะเราระลึกเรามีจิตใจศรัทธาเรื่มสายใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาผ่องแผ้วหรือว่าน้อนมนำอคุณท่านมาใส่ในตนเอง แล้วก็พยายามปฏิบัติตามก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกนะเป็นสังฆาอุโบสถอันนี้หรือว่าจ ะ, จะเจริญสีลานุสติแล้วลึกถึงศีลว่าโอ้ศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตรวจสอบมันเป็นยังไงรักษาได้ดีไม่รักษาได้ดีแล้วก็มีปิติอิ่มใจนะเกิดจิตใจผ่องใสโสมนัต ก็ทำให้ใจบริสุทธิ์แล้วก็มาลึกว่าเราจะประเพ็ญศีลขัดเกล้าให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรอย่างไรนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีละอุโบสถหรือต่อไปก็อาจจะระลึกถึงเทวดายุคสมัยนั้นนะแม้แต่สมัยนี้ก็คนก็ชอบในเรื่องเทวดานี่ยใช่อย่าไปเลี่ยงเลยไม่ต้องไปเลี่ยงเรื่องเทวดาแแต่รนะะลึกถึงคุณของเทวดาระลึกแบบชาพุทธไม่เหมือนระลึกแบบชาพวพวกศาสนาก่อนพุทธกาล พระพุทศาสนาเกิดขึ้นท่ากลางศาสนาที่นับถือเทวดาสังคมที่นับถือเทวดาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังยุ่งกับเทวดาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธระลึกถึงเทวดาอีกแบบระลึกถึงคุณของเทวดาว่าโอ้เทวดาองค์นี้ชั้นนี้ไปเกิดด้วยคุณธรรมวันนี้นี่ยด้วยศรัทธานี่ด้วยศีลด้วยสุตตารีจาค้าปัญญาอย่างนี้พิจารณาดูในตัวเราเรามีไหมคุณธรรมนั้นเออนี่ใช่ไหมแทนที่จะระลึกถึงเทวดาแบบเขา แลลึกถึงว่าองค์นี้เก่งอย่า ง, งานั้นองค์นี้เก่งทางนี้บรรดาลได้อย่างนี้ชอบเครื่องเส้นอันนี้เราจะต้องไปไหวอ่อนบอลนะแทนที่จะนึกอย่างนั้นไปขอผลปรารถนาเปล่าชาวพูดแล้ลึกถึงเทวดาแล้วลึกถึงอีกแบบแล้วลึกถึงว่าเออเทวดาองค์นี้นะเ อ, อท่านไปเกิดเป็นอย่างนี้ได้ในคุณธรรมอะไรแนะ่มีคุณธรรมดีอะไรในตัวเทวดาองค์นี้แล้วดูสิว่าในตัวเรามีคุณความดีไหม อย่างนั้นถ้าเทวดาออนี่มีศรัทธางี้มีศีลมีสุตางี้มีจารยอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เราก็มีคุณธรรมอย่างนี้เอออย่างนั้นเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยังงั้นได้เหมือนกันเหมือนกันนี่ยนี่เวลาแบบชาวพุธเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวพุทธระลึก ถ, ถึงเทวดาแบบนี้ไหมใช่ไหมไประลึกแบบนอกาศาสนาถ้าระลึกแบบว่าเทวดา อ, อนั้นเก่งยังไงบันดาลอะไรได้ชอบเครื่องเส้นอะไร เราต้องการอะไรเราจะไปหาเทวดาองค์ไหนไปถวายเครื่องเส้นอ่อนวอนยังไงจะไปพุ่งนี้ไปหาเทวดาจะให้ท่านช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้แสดงว่านอกพุทธศาสนานั้นในพุทธศาสนาก็ระลึกถึงเทวดาเหมือนกันแต่ระลึกแบบที่ว่านะระลึกถึงคุณความดีที่มีในเทวดาที่ทําให้ท่านได้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วมาตรวจดูในตนแล้วทําให้มีขึ้นในตนอย่างนี้เรียกว่า เป็นการละลึกถึงเทวดาเป็นเทวตานุสติถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นเทวเทวดาอุโบสถเป็นอุโบสถเทวดาใช่ไหมอ้าวละเนะี่ยมีตั้งแต่เทวอุโบสถพระพรหมก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าละลึกเทวดาก็ได้แค่เทวดาอุโบสถเนี่ยพรหมนี่ต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพอแทนแทนที่ละลึกถึงถึงว่าพรหมโอเป็นเทวเจ้าสูงสุดสร้างสารรค์บรรดาโลกใช่ไหม เราลึกถึงพระพุทธเจ้ามาค้นพบธรรมะความจริงประกาศธรรมให้มนุษย์มีพัฒนาสกิเลภาพในตัวได้ใช่ไหมถ้าราลึกถึงว่าพรมแบบพราหมณ์ก็ไปเลยนะพระเจ้าสร้างโลกเอาไงบรรดาญยังไงมีวันนั้นสี่ถ้าเลึกถึงพ ร, พธธ ร, รมแบบโพธิสัตวนาเราก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่คืออุโบสถทั้งหมดนี้เรียกว่าอริยอุโบสถ อุโบสถแบบอารยชนนะซึ่งมุ่งที่การชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เอาเป็นวันของการพัฒนาจิตใจและปัญญาก็ลองมาตกลงกันสิครับว่าวางแผนว่าวันอุโบสถเอาวันไหนให้มันมีขึ้นจริงจังเป็นวันของชาติเป็นวันของประเทศไทยอุโบสถนะแล้วชวนกันพัฒนากิจกรรมที่มันเป็นไปตามเจตนารม์เหล่านี้นะแม้แต่เด็กก็รักษาอุโบสถได้ใช่ไหม เด็กก็ไม่ได้ฝึกได้ฝนไม่ได้ให้การศึกษาตามแนวทางที่ว่าหนึ่งการรู้จักใช้ตาดูหูฟังให้เป็นการบริโภคเป็นใช่บริโภคกินได้ปัญญาเนี่ยอุโบสถข้ามาก็จัดการเลยอ้าวหนูมาถึงวันอุโบสถแล้วจะวันวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ตามวันนี้นะรายการทีวีเปลี่ยนเคยดูแต่บันเทิงมาวันนี้เปลี่ยนเป็นรายการดูหาความรู้ ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสื่อมวลชนก็วันอุโบสถนี่ก็ร่วมมือใช่ไหมเนี่ยวันอุโบสถแล้วกิจกรรมทีวีรายการบันเทิงเปลี่ยนหมดเนี่ยเป็นรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาใช่มมันก็จะได้ผลดีขึ้นนไม่ให้มัวเมาชักจูงคนในการเสพยิ่งขึ้นนี่วันอาทิตย์วันเสาร์ทีวียิ่งหนักข้อเข้าไปอีกนไป ทำชักจูงคนให้ลุ่มหลงโมเมาหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมไม่ได้พัฒนามนุษย์จริงเลยสักวันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเอาคติอุโบสถนี้ขึ้นมาเน้นกันให้มานะได้ทั้งในครอบครวัวได้ทั้งบุคคลได้ทั้งสังคมได้ทั้งประเทศชาติเลยเอากันให้จริงๆในไายเป็นสังคมชาวพุทธมันจะได้สมชื่อซะหน่อยนะฮนะถ้เอาอุโบสถมันเลือนหายไปเป็นเรื่องคนแก่นิดเดียวแต่โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ย น, น่าจะคิดกันให้มา เราจัดกิจกรรมอบสดอะไรบ้างนะเช่นรายการทีวีเป็นรายการทางเพื่อการศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์นะระดับจิจกระจำกิจกรรมอื่นในครอบครัวมีอะไรบ้างที่จะทำได้นะที่มันเข้ากับวัตถุประสงค์ที่ว่ามานะลองช่วยกันคิดสิครับอ้าวใครเสนออะไรบ้างนะกิจกรรมที่พอทำได้นะเป็นกิจกรรมอบสดนะแล้วตอนนี้มันสังคมมัน ม e ีแต่ว่าจะพากันไหลตามกระแสแล้วก็มีการซ้ําเติมกระแสหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็จะต้องมากขึ้นโรคเอดก็จะต้องมากขึ้นใช่ไหมถ้ารักษาโบสถมีวันุโภชนที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาโรคเอดอะไรต่างๆแก้ปัญหาเรื่องค่านิยมทางสังคมที่รุ่มหลงเพลิดเพลินมวลมาาแก้ปัญหาความฟุ้งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการแย่งชิงขัดแย่งกันอาชญากรรมต่างๆเยอะเลยใช่ไหมนี่น่าจะให้ความสำคัญอุโบสถนี่พระ เ, เจ้าอุตสาพัฒนาจากการถือศีลอดการอดอาหารของคนโบราณมาขั้นหนึ่งแล้วน่แต่ชาวพุธนี่ไม่ได้เอาเรื่องเลยเลยกลายเป็นเรื่องว่ารักษาพอคนแก่ก็ยังดีรักษาบ้างแต่มักจะให้ความหมายแค่ว่า พอได้บุญใช่ไหมก็เลยขาดเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงแสดงไว้ที่จริงผมแน่ผู้คลอดเลนะคร<อ>ับพยายามจะหาเจตจำนงที่จริง<อ>แต่ตอนนี้เนี่ยผมพิจานามองว่าผู้คลอดเป็นเด็กเองไม่มีปัญญ า, รราแล้วก็ไม่มีผู้แนะนำขาดการยานามิต แ, แล้วก็ไม่มีปัญญาพอที่จะ าากาจการก็ไปตามประแสเขาพาเด็กไป<ช>ติววิชาบทวิชาเรียนดนตรีหรือ <c oughs> อะไร <c oughs> ที่จะเป็นประโยชน์เด็กใช่แล้วก็พ่อแม่ก็ย่อมรักลูกเลเแต่รักลูกก็หนึ่งก็ตามบำรุงบําเอเด็กเอาใจเด็กอยากแสดงความรักก็เพิ่มเอาวัตถุถมเข้ามาถมเข้ามาแตกตายเป็นเด็กเสียเลยใช่ไมไม่ไดพัฒนาเด็ก หรือว่าไปก็ได้แค่เอาพอได้กิจกรรมอะไรไปดนตรีบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่มีไอ้ตัวเป้าหมายชัดเจนคือสักแต่ว่าพอให้ได้พักผ่อนบ้างพอให้ได้มีกิจกรรมดีๆหน่อยไม่ไปเสียหายแต่ไอ้เป้าหมายที่มันชัดมันไม่มีว่าทั้งหมดนี่เพื่ออะไรใช่ไหมไม่ได้ถูกตามสัญชานะอ่าไม่มีไอ้ตัวเครื่องมือก็ไม่มีและเป้าหมายนี่ก็ไม่มีเจตนารมณ์ของไอ้เรื่องของการใช้วันหยุดเนี่ย ว่าเพื่ออะไรมันไม่มีชัดเจนแล้วมันใช้ยังไงจึิงๆเป็นการพัฒนาเด็กได้ดีแล้วก็จะแก้ปัญหาสังคมไปด้วยมันไม่ได้มองอะไรให้มันเห็นตลอดเลยพอจะได้ทําไ ป, ไ ป, เ, ไป เ, เป็นเรื่องๆไปเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งนั้มันเสร็จเสร็จไปเท่านั้นไม่กระทังปัญญาคนสูงมันกมีการศึกษาอยู่ด้วยก็ยังมองไปอย่างย่างทางไม่เห็นนะฮะก็ทําได้แค่นั้น อันนี้พระเราก็ต้องมาช่วยกันนชักชวนอย่างน้อยก็ให้ความรู้ความเข้าใจก็วันนั้นวันนี้คิดว่าชัดแล้วนะอุโบสถเป็นกิจกรรมไม่ใช่ตัววันแต่ว่าต่อมาเมื่อทำในวันนั้นก็เรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องวันมาตลอดรอดทิ่สตนะซึ่งในยุคนี้เราก็สามารถตั้งวันอุโบสถขึ้นมาก็จะเอาวันไหนดีละ่ะ แล้วจะเรียกชื่อว่ายังไงและจะทํากิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดนะมีอะไรสงสัยไหมครับหมอร้องที่อยากจะอมองมองไม่มาถึงกันกนะครับแต่ว่าปา๊คําถามมาสองถคถามถามแรกก็คือท่านคริสเนี่ยเขามีหลักคํำสอนอยงนังไงที่ชัดเจนคนให้มาทุกวันอาทิตย์ได้ แม้กระทั่งผู้นำระดับสูงๆะงระดับประธาาิบีอแม้กระทั่งพวกพวกผู้นำทา ง, ทางด้นานศาสนาอะรมกี้าก็ยังไปโบสถ์ันอทิต์ไปอะไรมีบ้างเมืองอเมริกาจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมอเมริกามันไม่ ไ, มไปแล้วโบสถ์ไม่มีคนขายโบสถ์กันวุ่นอันนี้มันโฆษณาในเมืองไทย เ<ส>น้นฝรั่งโคสนาปลุกนะคืออันหนึ่งที่ที่ไปส่วนที่ไปนะส่วนที่ไม่ไปไม่ต้องพูดเลยส่วนที่ไปก็คือสอนหนาเขาไปสอนหนาแห่งศรัทธาที่ว่าก็พระผู้เป็นเจ้ามันหนึ่งมองในแง่เป็นบาปก็ได้ไม่เชื่อฟังคําสอนไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินั้นเป็นบาปแล้วก็กลัวสิหนึ่งหละหนึ่งก็ความกลัวก็คือศรัทธาเนี่ยหนึ่งความกลัวกลัวบาปกลัวพระเจ้าลงโทษสองก็คือว่า เป็นคําสั่งเชื่อต้องทําตาเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการตัวจะได้ไปสวรรค์อะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้สก็คือเขาเป็นเจ้าเป็นตัวของตัวเองของประเทศของเขาเองทีนี้ไทยเรามันมีปัญหาหลายอย่างไทยเรามันมีค่านิยมที่ว่าอยากตามวัฒนธรรมตอนตกอยากโกใช่ไหมอันนี้เป็นของตัวเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าที่ตัวเองมีค่านิยมสมัยหนึ่งถึงก็ดูถูกใช่ไหม ก็ต้องทอดทิ้งใครไปคืนตามก็คลั่มครึอถูกไหมอ่าหนึ่งแล้วเป็นเหตุให้ปฏิเสธเพราะถือว่าคลัําคลือสองก็คือต่อมาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายถูกไหมจนกระทั่งมีค่านิยมเป็นเรื่องคนแก่เป็นเรื่องของอะไรไปใช่ไหมอ่าค่านิยมของสังคมด้วยแล้วตกลงว่ามันก็มีทั้งเรื่องค่านิยมภายในของตัวเองความไม่รู้แล้วค่านิยมตะวันตกด้วยใช่ไหมฮอ่า ก็มันมันมีเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาเพราะพระเราก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมให้มีความหมายได้ใช่ไหมก็ต้องโทษพระด้วยส่วนหนึ่งพระเราไม่สามารถพัฒนาวันอุโบสถให้มีกิจกรรมที่มันชักจูงใจให้เห็นเขาให้เขาเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ แ, แต่ว่าอย่างให้เด็กมาแล้วเด็กมีส่วนร่วมยังไงมีความสบายใจบางทีเด็กมาวัดก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ ก็เป็นเรื่องคนแก่จริงๆสังคมเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องคนแก่ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องพัฒนาให้มีกิจกรรมสําหรับเด็กด้วยสินีวันอุโบสถวันพระอะไรเนี่ยใช่ไหมทำอะไรขึ้นมาอะไรสําหรับวันอุโบสถหรือว่าหรือเป็นเครื่องชักจูงคนเข้าวัาดโดยทั่วไปในตะวันตกเองเวลานี้นะมันก็มีกระแสกลับเหมือนกันว่าคนเริ่มกลับหันเข้าหาศาสนาอีกเพราะว่าจิตใจมันหาที่พึ่ง มันมีความเสื่อมทรมต่างสังคมแต่ว่าว่าดยแนวโน้มที่ผ่านมาในอเมริกาในคนทิ้งนะทิ้งมากเขาไม่ค่อยไปละครโบดบเนี่แล้วก็พวกบาทหลวงพวกนักเผยแพร่ศาสนานะคริสต์เนี่ยก็ไม่มีเงินเลี้ยงโบตก็ต้องขายโบท์แคคอรีเดนโทอยนือแน่นกว่ทางอิตาทางยุโรปี่ยังรูสึกโอ้ยฝรั่งเศสไงฝรัร่งเศสคนฝรั่งเศสมาหาผมเองนะ เขามาเขาบอกเอ๊ะทาไมเมืองไทยตอนเช้ามีคนตักบาทหน้าตายิ้มแย้มบอกไม่เหมือนประเทศเขาเลยประเทศเขานี่เขาไม่เอาเรื่องแล้วโบสถ์โบสถ์นี่ไม่มีคนรักษานะปิดไว้คนก็เข้ามางัดมาลักเอารูปเจ้าแม่มารีมาเรียเนี่ยเอาไปหลอมเพราะเป็นทองคําแล้วไปขายกันประมาณบอกเขาไม่เอาแล้วโบสถ์โบสถ์ทิ้งหมดแล้วก็ คนก็ไม่มีจะบวชเวลาจะแต่งงานทีจำเป็นต้องทมพิธีบางทีต้องไปหาจะจังหวัดไหนจังหวัดไหนอื่นๆมาหาบัทหลวงมาทมพิธี<อ>ไม่มีบตรหลวงฝรั่งเศสนี่แย่มากแล้วเขาบอกเขามาเห็นเมืองไทยนี่แปลกใจเอ๊ะทำไมคนไทยยังเอาใจใส่ศาสนานี่เป็นภาพของเขานะใช่ไหม เออเราไปมองว่าฝรั่งยังเอาใจใส่ไปโบสถ์ที่ไหนได้ฝรั่งมาเมืองไทยกลับบอกทำไมาคนไทยยังเอาใจใส่สาศาสนายังตักบาทยังเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยคนละแบบโรการศาสนาเสื่อมถอยทั้งประเทศเลยเพราะมันมันมันเสื่อมมานานแล้วเพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญแล้วเขาเรียกว่ากอดอิสเดตเงี้ยแล้วพระผู้เป็นเจ้าตายแล้วนะแล้วตอนนี้มันเริ่มจะพลิกฟืน้นตอนเนี้แหละ กำลังเริ่มกลับขึ้นมาบ้างในอเมริกานี่อเมริกาเขากลับถือว่าประเทศของเขานี้เป็นประเทศที่สนใจศาสนามากกว่าประเทศตะวันตกด้วยกันนะฮะถือว่าอย่างนั้นนะ rust, นะแต่แต่นั่นก็เป็นคติของพวกผู้นําแต่หมายถึงว่าประชาชนนี้เองโดยเทียบกับประเทศอื่นๆเขาบอกเขาเอาใจใส่สนใจศาสนามากกว่า แต่ถึงกนั้นก็ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้วก็ก็อิทธิพลศาสนาเสื่อมมาตลอดระยะยาวนาน <c oughs> ก็อย่างวัดไทยเราอยู่ในอเมริกานี่เราก็ซื้อบทคริสมาทำวัดหลายแห่งน yeah. บทที่ชิคาโกก็ซื้อบทฝรั่งมาที่เดนเวอร์ก็ซื้อบทฝรั่งแล้วก็ที่อะไรอ๋อก็วัดนิวยอร์ก วัดที่ Long Island, อทลองไอแลนดะ์ก็ซื้อบทฝรั่งแล้วบทเก่าๆเขาสร้างอย่างดีมากหินอย่างแล้วก็ใช้ก้อนหินแล้วก็สร้างอย่างดีมากนะเขารักษาไม่ไหวต้องขายไม่บริเวณกว้างขวางเมื่อเงินน้อยลงมันก็หมดกำลังเว่า <c oughs> ว ป, ปุปากไปถ้าทุมสังเก อนสมัยผมะฮะไม่ระทเป็นบวชนพระผก็เห็นว่าอย่างเมื่อสองสามวันน้ว่าผู้หญิงเข้ามามาวัดในทางชั้นในฮะอันนี้เคยตอบไปแล้วตอบเป็นนานแล้วตอบเรื่องผู้หญิงฮะคือว่ามันมีหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างคือว่าหนึ่งผู้ชายตกอยู่ในความประมาท ใครว่าตัวเองจะโบดก็ได้จะอะไรก็ได้สนใจเมื่อไรก็ได้เนีก็เลยเลื่อยเฉยส่วนผู้หญิงเขามีเหตุของความเป็นอยู่ชีวิตของเขาเขาไม่สามารถไปในในสังคมที่กว้างขวางใช่ไหมเขาต้องอยู่ไปในครอบครัวอะไรอย่างนี้ทำให้เขาต้งองหาท่องทางเน่เหมืนอนเขาชีวิตของเขาในอยู่ในวงที่แคบกว่าเขามีทางเลือกน้อยกว่า เขาก็ต้องหาทางออกนี่แล้วก็นั่นแหละก็เรื่องของข้อชายจะมีทางไปมากแล้วสองผู้ชายก็มีเรื่องธุรกิจการงานประจําตัวเนี่ยวุ่นวายกว่าใช่ไหมไปคิดถึงเรื่องกิจการเรื่องธุระแล้วก็ใจก็ไปวุ่นวายอยู่คล้องอยู่กับเรื่องเหล่านั้นนี่ผู้หญิงนี่การงานก็สมัยก่อนนะจําเจ อ, อยู่กับบ้า น, นก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็โอกาสที่จอกนอกบ้านก็ น, น้อยกว่านะแล้วทีนี้ต่อไปก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศล น, นะและยิ่งผู้ชายสมัยก่อนก็ประมาทอย่างที่ว่าตัวได้บุญมากฉันจะา ก, การบวชเป็นตน้นผู้หญิงรู้สึกตัวไม่ได้บวชก็ต้องขนขวายทำบุญให้มากอะไรอ่งเี้ยนะแล้วก็ก็อย่างที่อ่า มีมีทุกข์ในชีวิตเป็นส่วนเฉพาะของผู้หญิงหลายอย่างกว่าแล้วก็ผู้หญิงนั้นโอกาสไปทำเสียหายก็น้อยกว่าผู้ชายผู้ชายไปหลงไหลโมเมาคือผู้หญิงแกจะไม่โดยโอกาสด้วยนะที่ทำให้แกไม่ค่อยมีโอกาสไปรุ่มหลงโวเมาอะไรมาแต่ผู้ชายนี่จะไปรุ่มหลงโมเมากับสิ่งเสพติดกับเหล้ากับยากับผู้หญิงโอ้ยมัน โมจะไปใช้ชีวิตกับความรุ่มหลงนั้นผู้หญิงแกไม่มีโอกาสเท่านั้นแต่เท่ากับทาให้แกได้โอกาสที่จะมาสนใจทางธรรมะใช่ไหมเนี่ยก็หมายความว่าโดยชีวิตในทางสังคมนี่ทําให้แกมีวินัยมากกว่าผู้ชายเนี่ยนั่นสิก็รวมแล้วก็คือผู้ชายนั้นมันโมเมาในยาเสพติดสุราเมรัยเรื่องผู้หญิงเรื่องการเที่ยวมากมายใช่ไหมผู้หญิงเขา โอกาสในทางสังคมโดยประเพณีมันช่วยเขาในการปิดกั้นทางที่จะไปเรลวซามหลงไหลเหล่านั้ น, น่ต่อไปผู้หญิงก็จะไม่เบาละฮะตอนนี้ก็จะสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป